นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาเบื้องซ้ายเอามือขวางายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักนั่งตัวตรง กำหนดรูกำหนดรูลมหายใจเข้าลูลมหายใจออกให้สังเกตดูซสก่อนว่าเราเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกหรือไม่ ให้สังเกตดูให้ดีเห็นอยู่ที่จมูกของเรานี่แหละใส่ใจให้ดีเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกอยู่ที่จมูกไม่ต้องบังคับไม่ต้องกดไม่ต้องเกรง ให้คอยรู้คอยดูคอยเห็นลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามให้เหตุลมหายใจเข้า เหตลมหายใจออกของตนอยู่เสมอถ้าเราคิดไปเรื่องอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องร้ายเรื่องดีอะไรต่างๆเหล่านี้เราไม่ต้องสนใจ เราไม่ต้องสนใจกับเสียงเหล่านั้นหรือความคิดเหล่านั้นให้คอยกำหนดรู้ลมอย่างเดียวมันจะคิดอย่างไรก็ตามเราไม่ต้องส่งใจตามความคิดเหล่านั้นหรือไปควบคุมไม่ให้มันคิดให้เห็นอยู่รู้อยู่ แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นให้เห็นอยู่รู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นลมเข้ายาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้ายาว ลมออกยาวก็ให้รู้อรมหายใจออกยาวให้รู้ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้อรมหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้น ก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกสั้นถ้าเราอยู่ปกติหายใจจะยาวถ้ามีการที่พร้อนหรือมีเรื่องตื่นเต้นลมหายใจจะสั้นทียิบเลยเพราะฉะนั้นให้กําหนดรู้ลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวซะก่อนให้เห็นดูกันแหะ ให้ลมหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ลมหายใจออกยาวอันนี้สําหรับผู้เก่าสําหรับผู้ใหม่คอยรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นอถ้าเรามั่นคงดีแล้วหรือว่าทําใจได้มั่นคงดีแล้วค่อยขยับขึ้นไป ดูลมสั้นลมยาวมันไม่อยู่เพียงเท่านี้มันยังมีต่อไปอีกลมกว้างขวางทั่วตัวเรานี่ใหญ่ขึ้นก็ให้รู้ว่าลมกว้างขวางใหญ่ขึ้นลมเล็กนิดเดียว แทบไม่มีลมหายใจเลยหรือกำหนดไม่ได้เลยก็ให้รู้ว่าลมหายใจไม่มีหรือเล็กลงแผวเบาลงนั่นแหละให้คอยรู้อยู่คอยเห็นอยู่ถ้าจิตสงบแล้วนั่นมันไม่ไดเอาลม ไม่ได้เอาอะไรใจก็สงบอยู่เหมือนเดิมถึงไม่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้ไมาเนีถ้าจิตเราสงบแล้วเราเอาความสงบเราทำนี้เราต้องการความสงบลมเป็นเครื่อง อยู่ของสติให้มีสติเห็นลมเข้าออกอยู่แต่ถ้ามันเป็นสมาธิแล้วลมหายใจนั้นเราก็วางไปกำหนดรู้อยู่อย่างเดียวรู้ว่าลมหายใจไม่มีแล้ว เราอย่าไป น, นึกว่เาเอาลมไม่มีแล้วจะตายอันนี้อย่าไปคิดให้คอยรู้ความรู้สึกของเราว่าสงบสบายคอยรู้อยู่ตรงนั้นหายใจสงบสบายอันนี้คือวิธีปฏิบัติเบื้องต้น วิธีหัดใจที่ไม่สงบให้สงบถ้าใจสงบแล้วใจเป็นหนึ่งแล้วเราก็จับความเป็นหนึ่งนั้นแล้วไว้มันจะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรอกมันจะไม่คิดนอกเรื่องนอกราวนั้นนี่ปัญหานั้นนี่มันก็ไม่คิดไปหรอก มันสงบเย็นอยู่ภายในนั่นแหละถึงเราไม่ได้ตั้งใจจะดูมันก็รู้ของมันเองเราจะเห็นว่าลมหายใจนี่มีอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นมันเย็นเย็นอยู่เรื่อยนั่นเราผ่านแล้วนั่นเราผ่านจากธรรมดาเป็น สูงขึ้นแล้วเรียกว่าเราผ่านแล้วเราตั้งใจจะกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็เห็นลมหายใจเข้าใจออกเราไม่ได้ตั้งใจจะดูก็เห็นลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆเป็นอัตโนมัติของมันเองเลยนะอันนี้เรียกว่าเราทําเป็นแล้วภาวนาเป็นแล้ว มีแต่จะพัฒนาขึ้นไปสูงขึ้นไปให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่นั้นเองให้จนถึงที่สุดของการปฏิบัติคือให้สูงขึ้นจนถึงที่สุดของการปฏิบัติก็คือมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้น เบื้องต้นหนีดจำให้มันได้ลมหายใจเข้าก็ให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ให้รู้ลมหายใจออกเราทําได้ไหมลมหายใจเข้าก็ให้รู้ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกเราก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกมันรู้อยู่ในจมูกเรานี่แหละไม่อยู่ที่อื่นหรอกลมมันก็ออกเข้าอยู่อย่าเพ่งอย่าเพ่งอย่าบังคับถ้าเพ่งถ้าบังคับเราจะปวดระหว่างคิว้ว จะมึนตึงที่หน้าผากแต่ถ้าเราคอยกุหนดรู้ตามธรรมชาติธรรมดาสามัญทั่วไปนี่เองธรรมดาธรรมดานี่เราจะไม่เป็นอาการแบบนั้นจะไม่มึนตึงหรือปวดระหว่างคิว้วหรือเก็บตรงนั้นตรงนี้ให้คอยรู้อยู่ ตามธรรมชาติธรรมดาธรรมดาลมมันก็ออกเข้าอยู่แล้วเรามากำหนดรู้มันเพื่อต้องการให้จิตสงบเป็นสมาธิเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อพระนิพพานต้องการให้สงบเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว ก็เอากิจที่เป็นสมาธินั่นแหละไปพิจารณาอัตภาพตัวตนของเราให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาลมออกลมเข้านี่ก็ไม่เที่ยงให้เห็นเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ให้เห็นเป็นอนัตตาคือไม่มีสาระเกี่ยนสารอะไร นั่นแหละให้เห็นอย่างนั้นใจของเราก็จะสงบเป็นสุขพอใจของเราถึงถึงอาจถึงธรรมของพุทธเจ้าใจจะมีความสุขมากกระทบกระเทือนนิดหน่อยนี่ไม่ถึงใจเราหรอก ธรรมดาสามันไปเลยกระทบอย่างหนักอย่างมากถึงจะกระเทือนถ้าเราได้สูงขึ้นไปแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวมันเห็นเป็นเรื่องธรรมดาสามันทั่วๆไปผู้ทงานมันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังนาตาเนี่ย มันเห็นมันก็วางในมดมันไม่ยึดไม่ถือเลยวางในมดคนเก่าที่เคยฝึกปฏิบัติเคยผ่านการปฏิบัติมาแล้วไม่ต้องมาหัดลมหายใจหรอก หัดพิจารณาพิจารณาให้เห็นว่าไม่เที่ยงตัวเรานี่ไม่เที่ยงให้เห็นว่าตัวเรานี่เป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้มันไหลเรื่อยไปเราเห็นไหมครั้งแรกก็เป็นน้ำใสๆต่อไปก็เป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อ ต่อไปก็เป็นปัญญาสาขาแขนสองขาสองสศีษะหนึ่งเก้าเดือนสิบเดือนก็คลอดจากคัตมานดาคอดมาแล้วก็บิดามานดามีเมตตาเลี้ยงดูเอาไว้มีความรักความเมตตาเลี้ยงดูเอาไว้ เราก็ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาปีหนึ่งก็ขนาดนี้สองปีสามปีสี่ปีห้าปีเดินได้เดินได้วิ่งได้สิปียี่สิปีสามสิปีนั่นต่อไปอีก 40ปีห้าสิบปีหกสิบปีนั่นมันก็ไหลไปเรื่อยๆเจดสิปีแปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีนั่นใข่ก็ตายไม่ใข่ก็ตายคนขนาดถึงแปดสิปีก็ถือว่ามากแล้วถือว่ามากที่สุดแล้ว ถ้าได้อยปีก็เรียกว่าเต็มที่เลยแต่มีบางคนพอหาได้อยู่ในโลกนี้ถึงร้อยยี่สิบปีก็มีแต่ว่าน้อยนี่เห็นไหมเห็นความที่มันทนอยู่ไม่ได้ไหมมันไหลเรื่อยไปตามหลักวิทยาศาสตร์ เจ็ดปีเนื้อหนังก็เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่อันเดิมตันามหลักความเป็นจริงพระพุทธเจ้าสอนไวไรก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันไม่ได้อยู่คงที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เ, เปลี่ยนแปลงไปจนว่าสลายไปเลย ถ้าแก่เท่ามาโลกนั้นโลกนี้เก็บแข้งเก็บขาปวดหลังปวดเอวนั่นนี่จะเพิ่มขึ้นจะมีขึ้นเป็นโรคนั้นโลกนี้สารพัดในที่สุดก็ต้องสลายไปหาสาระเกี่ยนสารอะไรไม่ได้บังคับบัญชาให้อยู่ตามอำนาจของเราไม่ได้เลย ก็เรียกว่าเป็นนัตตาอยู่นอกอำนาจการบังคับของเรานี่คือความจริงที่เราจะต้องพิจารณาบ่อยๆให้เกิดความชำนิชำนาญให้เกิดความปล่อยวางให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ทำความรู้แจ้งให้เกิดขึ้นให้เหตุสภาพทำทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาไม่มีสาระเก่นสารตัวตนอะไรที่จะเราจะไปยึดถือว่าของเราของเราอันนี้แหละ ที่เรามาฝึกหัดนี่ก็เพื่อหัดปล่อยวางอันดับแรกก็วางความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆที่มีอยู่ให้ป่อยวางความคิดความนึกให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก ถ้ามันอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องให้มันอยู่เฉยๆให้มันทํางานเหมือนเด็กเนี่ยมันก็เล่นบ้างมันนอนว่างถ้ามันนอนแล้วเราก็ไปส่งรบกวนมันก็ให้มันนอนไป เ, เหมือนเราทํากําหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเวลาเรากําหนดจิตของเราก็อยู่กับที่กับทางกับลมหายใจตลอด ไม่คิดนึกเรื่องอื่นเลยไม่ฟุ้งซ่านส่งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ส่งไปตามอารมณ์ต่างๆมันนิ่งอยู่สงบอยู่อันนี้เดี๋ยวมันนอนแล้ว แต่ถ้ามันนอนมากเกินไปก็ให้มันตื่นขึ้นบ้างหรือว่ามันตื่นขึ้นมามันคิดนั่นคิดนี่ก็พิจารณาแบบนี้พิจารณาตัวตนของเราเนี่แหละอย่างที่ว่ามาแล้วนี่แหละพิจารณาจากเชื้อนิดเดียวนะกลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะจนสลายไปในที่สุดนั่นแหละ ให้พิจารณาอย่างนี้คนเก่าก็มากคนใหม่ก็มากเพราะด้านสอนผสมกันเลยคนเก่าก็ต้องพิจารณาบ้างเข้าสมาธิบ้างสลับกันไปพอจิตสงบแล้วก็ให้พิจารณาพิจารณาตัวเราเนี่ยแหละว่าวเราต้องเป็นอย่างนี้ เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายหมดทุกคนนะตายช้าตายเร็วอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความเป็นความตายแน่นอนก่อนที่จะถึงวันนั้นเราต้องได้อัดได้ทำจึงจะมีความสุขถ้าเราได้แล้วเรามีความสุข เรากลับมาเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติกี่ครั้งกี่หนไม่เกินเกียรตชาติถ้าเราได้สุดาบันไม่เกินเกียรชาติเราก็ต้องสําเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องรอให้ถึงเกินเกียรชาติหรอกเกิดชาตินี้ตั้งใจเพินาตั้งใจปฏิบัติ มันก็สามารถที่จะหลุดพน้นจากกองทุกขไปได้เหมือนกันเพราะว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าก็อันเดียวกันที่พระองค์สอนพานยาโกนัญญะว่า ป, ปะพัทธิยะมหานามาตชสิก็อริยมรรคมีโยกแปดนี่อริยสัจสี่นี่เองอริยสัจสีในสมัยนั้นกับอริยสัจสีในสมัยนี้ก็อันเดียวกัน อันเดียวกันถ้าเราปฏิบัติแล้วมันต้องเป็นมันต้องรู้มันต้องเข้าใจมันต้องปล่อยวางได้มันต้องหลุดพ้นได้ถ้าเราได้เป็นพระโสดาบัลแล้วนี่เป็นพระโวสดาบัลแล้ว เราตายไปเราไม่ตกนรกเลยในเกีชาตินะ่ะนะไม่ตกนรกเลยถ้าเราได้สูงกว่านั้นคือเป็นสกิทาคามีเราก็มาเกิดในมนุษย์เพียงชาติเดียวเท่านั้นก็สำเร็จเป็นพระอรหันเข้าพันิพานไป ถ้าดีกว่านั้นก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในภูมิมนุษย์อีกเลยเกิดอยู่ในภูมาโลกเป็นพระอนาคามีไม่กลับมาทุกข์มายากมาลำบากในโลกนี้อีกเลยอยู่จนสิ้นอายุภพ คือเป็นนาคามีน่ยก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่ในพรมโลกเมื่อสิ้นอายุพมก็เข้าพระนิพพานก็ปรินิพพานไม่กลับมาทุกข์อีกเลยอันนี้ว่าผู้ที่ยังไม่บรรลุถึงอรหันต์แต่ผู้บรรลุอรหันต์นี่เข้าพระนิพพานเลย ผู้ยังไม่บรรลุ ก, ก็ต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายแต่เกิดถ้ายังไม่ได้สุดาบันก็เกิดแก่เก็บตายอีกนับภพบนับชาติไม่ท้วนนั่นแหละใช้หนี้กรรม บ, บาปอกุศลต่างๆที่เราได้ทำไว้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นมากเพราะเราปลอดภยัยไม่ต้องไปนระกเลยไปแต่สวรรค์พร ม, มาโลก เข้าพนี่ิผ่านเท่านั้นมีแต่สุขเหมือนอย่างปัจจุบันนี้เราเห็นใจของเราสงบเราอยากให้มันสงบเวลาไหนมันก็สงบก็จะเห็นความสุขเกิดขึ้นในใจของเราความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดี เราจะต้องมีสติรู้ทันถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วรู้ทันตลอดโกดเราก็เห็นแล้วเขาไม่ถึงใจเราโรคก็ไม่ถึงใจเราหลงก็ไม่ถึงใจเราใจเราอยู่เหนืออำนาจความโรคความโกดความหลงใจเราสบาย รู้เท่ารู้ทันรักษาสภาวะปกติได้ตลอดเวลามีอารมณ์สงบเย็นใจสบายไม่มีวิตกกังวลอะไรเลยพอเราทิ้งกิเลสหรือว่าอาสวะกิเลสสิ่งที่จะทำให้ขุณมัวหมดไปจากใจของเรา อาสวะอาสวะสิ้นอาสวะพระคีนาศนะก็คือพระที่ทำกิเลสทั้งหลายคือความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเนี่หมดไปจากใจให้หมดไปจากใจเราสามารถทำได้ตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรา ถ้าเราทำตามคำสอนของพุทธเจ้าได้มรรคผลก็ต้องเกิดขึ้นได้ไม่ว่าโสดาสกิทาคานาคารหันเกิดขึ้นที่จิตเราได้ถ้าเราทำตามคำสอนของพุทธเจ้าต้องเกิดได้แน่นอนแต่ถ้าเราทำผิดจากคำสอนของพุทธเจ้ามันเข้าไปไม่ถึงไหน ยกตัวอย่างเหมือนเราจะไปกรุงเทพเขาบอกว่าทางไปกรุงเทพไปนี่นะขึ้นเครื่องบินจากสนามบินานานาชาติอุรณธานีแล้วไปลงสุวรรณภูมิจากสุวรรณภูมิจึงเข้าสู่กรุงเทพจึงไปถึงวัดพระแก้ว เขาเลาให้เราฟังเรายังไม่เคยไปเราก็ไม่รู้ว่าจะไปแบบไหนจะทำยังไงดีแต่ถ้าเราเคยไปแล้วหมายคย่ะเราได้บรรลุแล้วนะมันก็รู้สิบัเนี่ยโอ้ทำอย่างนี้มันถูกทำอย่างนี้มันไม่ผิดเราไปอย่างนี้อย่างนี้เราก็รู้ได้เราคอยเฝ้าดูใจของเราอย่าให้กิเลสเหนือกว่าเรา เหนือกว่าความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาของเราหาใจเรามีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาใจของเราจะมีสุขสงบเย็นตลอดเวลากระทบกระทั่งอารมณ์น้อยใหญ่ไม่ผันแปรไม่เปลี่ยนแปลง คงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลานี่คือการปฏิบัติเพื่อนี้จะ ก, กองทุกข์ไม่ใช่เพื่อลาบไม่ใช่เพื่อยศไม่ใช่เพื่อความสรรเริญเยนยอเราทำเพื่อให้ใจของเรามีความสุขทำใจของเราให้มีความสงบ ทำใจของเราให้เย็นให้สบายให้ตั้งใจให้อดทนให้เข้มแข็งจะเหนื่อยปนี้กระตมอย่าท้ออย่าถอยอย่าหมดกำลังใจขอให้ทำความเข้าใจตามนี้